พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะมีหลากหลายมีจํานวนมากมีหลากหลายด้วยเรื่องราวต่างๆก็ตามแต่เนื้อหาสาระของคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่อยู่เรื่องเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องของความทุกข์ และวิธีการดับความทุกข์นั้นเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลที่มีปริมาณนับไม่ได้ก็มีรสชาติเพียงรสเดียวก็คือรสของความเค็ม ดังนั้นผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนํเอาไปปฏิบัติจึงควรสังวรไว้เสมอว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ปฏิบัติเพื่อการดับความทุกข์ด้วยการละเหตุของความทุกข์นั่นก็คือ ตัณหาความอยากต่างๆเช่นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาถ้าการกระทาหรือการปฏิบัติเป็นไปเพื่อกรมตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาก็แสดงว่าไม่ได้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่ได้เป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปติปันโนเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ต้องปฏิบัติเพื่อการดับความทุกข์โดยการละตัณหาทั้งสามไม่ว่าจะเป็นการทำทานก็ดี การรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีต้องเป็นไปเพื่อการละตันหาตัดตันหาลดปริมาณตันหาและทำลายถอนรางถอนคนของตันหาให้หมดไปจากใจถ้าเราไม่สังวรไม่ตั้ง เป้าอันนี้ไว้เวลาปฏิบัติไปจะถูกตัณหาความอยากนี้มาหลอกให้เราปฏิบัติเพื่อตัณหาทั้งสามนี้ได้นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะคอยสังเกตดูเสมอเวลาทำทานเวลารักษาศีล เวลาภาวนาภาวนารักษาศีลทำทานเพื่ออะไรกันแน่เพราะมีปรากฏขึ้นมาให้ได้เห็นกันอยู่เสมอเช่นทำทานเพื่อให้ร่ำให้รวยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นภาวะตัณหาความอยากร่ำอยากรวยทำทาน เพื่อให้มีความสุขทางร่างกายให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานผลเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นจากการทำทานก็ได้หรือถ้าเกิดก็เป็นผลปลอยได้ไม่ใช่เป็นผลหลักของการทำทาน ผลลักของการทำทานเพื่อตัดความอยากน้ำอยากรวยถ้าเราไม่ทำทานเราได้เงินมาเราก็จะสะสมบวกมันไปเรื่อยๆวันนี้ปีนี้ได้ล้านหนึ่งปีหน้าก็เพิ่มเป็นสองล้านสามล้านสี่ล้านก็จะคิดว่าตนเอง กำลังเจริญก้าหน้าอาจจะทำบุญทำทานสักหมื่นสองหมื่นแล้วได้กลับมาเป็นล้านอย่างนี้เร่างนี้เรียกว่าทำบุญเพื่อตัณหาไม่ได้ทำบุญเพื่อล้ตัณหาถ้าจะทำบุญเพื่อละตัณหาต้องทำแบบไม่ได้ หวังหรือไม่ได้อยากให้ร่ำให้รวยก็ต้องกำหนดปริมาณเงินทองที่ตนเองต้องการจะมีไว้ถ้ามีมากเกินจำนวนนั้นก็จะต้องเอาไปทำทานให้หมดเช่นกำหนดว่าชีวิตการดูแลรักษาชีวิตอัถภาพนี้ควรจะมีเงินประมาณสักเท่าไหร่ ก็กำหนดไว้เพียงเท่านั้นพอเวลาที่ทำมาหากินแล้วได้มามากเกินความจำเป็นของการดูแลรักษาอัตภาพร่างกายก็ให้เอาเงินส่วนเกินนั้นไปแจกจ่ายทำทานแบ่งปันให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยานี่คือ วิธีการทำทานเพื่อละตันหาเพื่อตัดกำลังของตันหาความอยากรามอยากรวยไม่ให้มันเจริญงอกงามผ่านทางเงินทองเนื่องจากเรายังมีความจำเป็นที่ยังต้องหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ต้องให้ เป็นการมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพียงเท่านั้นไม่ให้เอามาเพื่อเป็นเครื่องมือของตัณหาความอยากเช่นกามตัณหาหาเงินได้มาแล้วก็ไปหาความสุขทางจาวทางตาหูจมูกเลี้ยงกายกันการหาความสุขแบบนี้ก็เรียกว่ากามตัณหาความอยาก ในรูปเสียงกลิ่นลดปวดทพะในการมกุณทั้งห้าถ้าเราเอาเงินทองที่เราหามาได้จากการธรรมหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องที่เรามีเหลือจากการเก็บไว้ดูแลรักษาอัตภาพชีวิตของเราแล้วเรานำมาใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็จะสร้างเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราอยากจะดับความทุกข์เราก็ต้องตัดสะพานตัดทางเดินของตัณหาความอยากก็คือเงินทองที่เราหามาได้มากเกินความจาเป็นต่ อ, อการดารงชีพเราก็ควรที่จะเอาเงินทองก้อนี้ไป ทำทานตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ทําทานหรือว่าถ้ายังไม่หรือว่าจะไปทําที่ไหนจะเก็บไว้เฉยๆก่อนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรตาบใดที่เราไม่ไปมีความอยากที่จะเอาเงินนั้นไปใช้ในทางปัญหาต่างๆ อาจจะเก็บสำรองไว้ก่อนก็ได้แต่ข้อสำคัญก็ต้องอย่าไปอยากให้มันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นตันหาอีกแบบเช่นเอาไปฝากธนาคารก็คอยเลือกดูว่าธนาคารไหนให้ดอกมากกว่ากันก็หัวคอยโยกย้ายดอกโยกย้ายเงินบัญชีอยู่นั่นเดี๋ยวก็ให้ บัญชีท้อยดอกพิเศษก็ต้องย้ายเดี๋ยวก็มีวันเดี๋ยวก็มีใหม่ออกมาอยู่ด้วยก็วุ่นวายกับการโยกย้ายเงินอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำทานเพื่ อ, อเป็นการรักษาเงินด้วยตันหาอีกวิธีที่รักษาเงินด้วยโดยไม่มีตันหาก็คือฝากมันไว้ที่ไหนสักแห่งแล้วก็จบไม่ต้องไปวุ่นวายกับมัน มันจะงอกไม่งอกงอกช้า ง, งอกเร็วหรือมันจะหดหรือมันจะเจ๊งกระทั่งหัวมันอย่างนี้เพียงแต่เก็บสำรองไว้เผื่ออนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้มันหรือไม่ถ้าเก็บไว้อย่างนี้ก็จะไม่เป็นตัญหาแต่ถ้ามันมาสร้างความวุ่นวายใจาให้กับเราสร้างความทุกข์ใจให้กับเราก็เอาไปทําทานเสียให้มันหมดไป แล้วก็คิดว่าไปตายดาบหน้าถ้าวันนี้หาได้วันพรุ่งนี้มันก็ต้องหาได้ถ้าหาไม่ได้ก็แสดงว่ามันถึงเวลาที่จะต้องตายแล้วก็อย่าไปคิดอะไรอย่าไปกลัวความตายมากจนเกินไปเพราะว่าไหนที่สุดไม่ช้าก็แล้วก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครกาหนดได้ว่าจะตายอายุเท่าไหร่ล้วอาจจะคิดเผื่อไว้ก็ได้ แต่มันอาจจะไม่ถึงตามที่เราคิดก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเหมือนมากเอามันแค่วันต่อวันชีวิตวันต่อวันพวกนี้จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ยังไม่รู้ถ้าอยู่ก็ค่อยว่ากันไปค่อยหากันไปถ้าอยากจะมีความสุขใจไม่อยากจะมีความทุกข์วุ่นวายใจกับเรื่องการเงินการทอง มากจนเกินไปคือมันต้องมีทางสายกลางคือไม่ไว้ตกกังวลจนกลายเป็นความทุกข์และไม่ปล่อยวางจนกระทั่งกลายเป็นความทุกข์ได้คือการขาดแคนเวลาที่จำเป็นจะต้องมีใช้ก็ไม่ได้มีใช้นี่คือหลักการของการทำทานคือเราต้องมีขอบเขตให้มี เงินทองพอเพียงต่อการดูแลรักษาอัตภาพชีวิตของเราก็พอมีมากกว่านั้นก็ถ้าเอาไปทำประโยชน์ได้ก็เอาไปทำประโยชน์การทาทานก็จะทำให้เราได้รับความสุขได้รับความสงบใจเวลาเรามีเงินทองมันก็เป็นภาระกดดันทำให้เราหนัก อ, อกหนักใจ วิตกกังวลกับการดูแลรักษาเงินทองถ้าเราเอาไปทําทานเสียเหมือนก็เหมือนกับยกภูเขายกก้อนก้อนหินออกจาก อ, อกก็เบาเบาใจสบายใจและสุขใจที่เห็นเงินทองของเรานี้ได้สร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นให้เบาบางลงไป ทำให้เราเกิดมีความเมตตาการุณาเป็นคุณธรรมที่จำเป็นต่อการก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติธรรมขั้นต่อไปก็คือขั้นรักษาศีลการทำทานนี้พอเราทำด้วยความเมตตาการุณาแล้วทำทำให้เราไม่มีความโลภมากและเวลาเราทำ มาหากินเราก็จะไม่ต้องทําบาปถ้ายัางโลภมากยังอยากได้เงินมากๆได้ง่ายๆและเร็วๆก็มักจะต้องทําบาปกันคืออย่างน้อยก็ไม่พูดความจริงเวลาขายของอะไรมากก็จะโกหกหลอกลวงกันว่าซื้อมาราคาเท่านั้นเท่านี้กาไรนิดเดียว แต่ความจริงกำไรมากกว่าที่ตนได้พูดไว้นี่จะเป็นการโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้นมนาวผู้ซื้อให้เห็น อ, อกเห็นใจและซื้อสินค้าของตนแต่ถ้าไม่มีความโลภ ก, ก็จะไม่จำเป็นจะต้องพูดโกหกแบบนี้พูดไปตามความจริงซื้อมาเท่าไหร่หรือถ้าไม่ควรพูดก็บอกว่าบอกไม่ได้ แต่ราคาขายต้องราคานี้ก็เท่านั้นเขาจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ว่าอะไรแต่ไม่ต้องมาทำบาลด้วยการปิ้นป้อนโกหกหลอกลวงเออพื่อให้เขาเห็นอกเห็นใจเพื่อที่จะสิ้นซื้อสินค้าจากเราอันนี้ถ้าไม่มีความโลภ ก, ก็จะไม่ต้องทำบาป เ, ออเวลาทำมาหากินเรื่องปากเรื่องท้องออตรงไปตรงมา ซื่อสัตยจริตคนที่ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ุจริตก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายนี่คือการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนขั้นต้นก็ทำทานเพื่อตัดความโลภตัดความอยากกมามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา อังทีเราหาเงินมามากๆก็คิดว่ามีเงินมากๆจะปกป้องรักษาชีวิตของเราไว้ได้เพราะเรายังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่ถ้าเรามีเงินทองมากเราก็คิดว่าเงินทองนี้จะช่วยทำให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้ก็เป็นวิภาวะต่าหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทำให้เราโลภต้องหาเงินทองมา ไว้เพื่อมาดูแลรักษาร่างกายมากเกินขอเขตเกินเหตุเกินผลร่างกายนี้มันจะอยู่นานไม่นานมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีเงินทองไว้ดูแลรักษามันมากหรือไม่มากเสื้ออาหารวิเศษขนาดไหนมารับประทานยาวิเศษขนาดไหนมารับประทานมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะตัดสินว่าจะอยู่นานหรือไม่นาน จะไม่ได้ตัดสินว่าสุขภาพจะดีหรือไม่ดีมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้ชีวิตดับลงไปได้ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับการมีหยุยาอาหารที่วิเศษแต่อย่างใดเช่นปเจอโรคระบาดเข้ามันก็เหมือนกันคนที่มียาวิเศษมีอาหารวิเศษ เม้จโรคระบาดมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันหรือไปประสบอุบัติเหตุมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันฉะนั้นอย่าไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาแก้วิภวะตันหาคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ไม่ตายคืออยาา่อยามาสนับสนุนวิภวะตันหา ควรจะใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เสมอว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกคนไม่มีใครหนีพ้นดังนั้นเราไม่ต้องไปขวนขวายหาเงินหาทองมาปกป้องรักษาชีวิตมากจนเกินเหตุเกินผลทำพอประมาณทำทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทำตาม กำลังของเราแล้วให้มันอยู่ในกรอบของศีลธรรมความดีงามดังนั้นเราไม่ต้องไปโลภมากกับเงินกับทองแล้วก็อย่าไปหวงมากจนเกินไปมีแล้วถ้ามีมากเกินก็เอาไปทำบุญดีกว่าเพราะจะทำให้ใจ มีความโลภความอยากน้อยลงไปแล้วราจะได้รักษาศีลได้การรักษาศีลก็เป็นการต่อต้านความอยากอีกวิธีหนึ่งเช่นเวลาเราเกิดความอยากอยาก่าอยากจะรักทรัพอยากจะประพฤติปิดตัวเหวนีอยากพูดปดอยากเสพสุรายากมา และอบายามุขต่างๆถ้าเรารักษาศีลเราก็จะไม่กระทําตามความอยากของนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําลายความอยากเหล่านั้นให้หมดไปแต่อย่างน้อยก็เบรคมันไว้ก่อนขวางมันไว้ก่อนเพราะเรามีศรัทธาความเชื่อในการรักษาศีลว่า จะทําให้เราเป็นคนดีจะทําให้เรามีความสุขทําให้เรามีความทุกข์น้อยลงไปคนที่รักษาศีลได้นี้จะมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่รักษาศีลจะมีความทุกข์น้อยกว่าคนที่ไม่รักษาศีลเพราะสามารถต้านความอยากกระทําในสิ่งที่ไม่ดีได้ จะทำได้ก็ต้องมีเจตใจที่มีความเมตตากรุณามีความปรารถนาดีมีความสงสารผู้อื่นเมื่อถึงเวลาที่จะทำร้ายผู้อื่นก็จะทำไม่ลงนี่คือการปฏิบัติขั้นที่สองที่เราจะต้องปฏิบัติถ้าเราอยากจะ ทำลายความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปต้องทําไปจากง่ายไปหายากขั้นแรกก็คือทําทานง่ายถ้าเปรียบกับการตัดต้นไม้ก็ขั้นตอนก็การตัดกิ่งไม้ใบไม้ออกไปก่อนกิ่งเล็กๆขั้นที่สองก็มาตัดก้านใหญ่ๆกิ่งก้านใหญ่ๆคือการรักษาศีล แต่การตัดกิ่งก้านตัดใบไม้นี้ยังไม่ได้ทําให้ต้นไม้ตายไปเช่นใดการทําทานการรักษาศีลก็ยังไม่ทําให้ตันหาความอยากนี้ตายไปเพียงแต่ว่าทําให้มันอ่อนกําลังลงไปมีปรมาณน้อยลงไปแต่มันยังไม่หมดะ เหมือนกับต้นไม้มันยังออกกิ่งออกก้านออกใบได้อยู่ต่อให้ตัดไปมากน้อยเพียงไรมันก็ยังจะออกกิ่งออกก้านต่อไปได้ถ้าอยากจะทำลายมันก็ต้องตัดต้นก่อนตัดต้นมันไปตัดต้นไปแล้วก็ยังต้องอถอนรากถอนโคนอีกทีถึงจะสามารถทำลายต้นไม้นั้นได้อย่างทาวอนอันหาก็เป็นเหมือนต้นไม้ การทำทานก็เหมือนกับการตัดใบตัดเก่งการรักษาศีลก็ตัดก้านมันแล้วมาพอเรารักษาศีลได้เราก็จะมีกำลังที่จะเข้าสู่การภาวนาได้การที่จะเข้าสู่การภาวนาได้นี่ก็ต้องขยับศีลขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือจากศีลห้าก็ต้องขึ้นไปสู่ศีลแปด เพื่อจะได้ตัดความอยากเพิ่มขึ้นอีกคือการมันทาเช่นการอยากหาความสุขจากการหลับนอนกับผู้อื่นถึงแม้จะเป็นคู่ครองของตนก็จะไม่กระทําสำหรับผู้ที่ถือศีลแปดจะอยู่เหมือนคนโสดเหมือนคนที่ไม่มีสามีไม่มีภรรยาแล้วก็ตัดความอยากหาความสุข จากการรับประทานอาหารอาหารเครื่องดื่มต่างๆของขาวของขควของหวานขนมขบเคี้ยวก็ตัดไปด้วยการกำหนดเวลารับประทานให้เป็นแรมเวลาทาถือศีลแปดท่านก็ไม่ให้รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็เวลาก่อนเที่ยงวันก็ควรจะมีขอบมีเค้ก เ็นรับประทานเป็นมื้อไประหว่างมื้อก็อย่าไปรับประทานอย่าไปดืม่มถ้าจะดื่มก็ดื่มเพียงแต่น้ำปเปล่าเพราะดื่มเพื่อร่างกายถ้าดื่มเพื่อตัณหาความอยาก <c oughs> ก็ไม่ควรดืม่มถ้ารับประทานเพื่อตัณหาความอยาก <c oughs> ก็ไม่ควรรับประทานเช่นถึงเวลารับประทานอาหารก็ต้องสังเกตดู ว, ว่ากำลังรับประทานด้วยความอยากหรือไม่ ถ้ารับประทานด้วยความอยากก็ไม่ควรรับประทานอาหารนั้นนั้นวิธีที่จะแก้ความอยากก็คือเอาขนมอาหารที่เราอยากทั้งหลายมารวมกันมาคนกันให้มันกลายเป็นอาหารอีกแบบหนึ่งไปอาหารสามสี่อย่างที่เราอยากรับประทานขนมนมเนยที่เราอยากจะรับประทานเราก็เอามารวมในภาชนะเดียวกัน แล้วก็คลุกก็คนมันเข้าไปเครื่องเดิมที่เราอยากจะเดิมเราก็ใส่เข้าไปเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องลงไปรวมกันในท้องอยู่ดีดังั้นให้มันรวมกันที่ในภาชนะก่อนที่เราจะรับประทานดีกว่าเพราะถ้ารับประทานแบบนี้ได้มันจะตัดความอยากในรูปรูปกกลิ่นนสดของอาหารได้จะรับประทานเพื่อร่างกายจริงๆ ไม่ได้รับประทานเพื่อความอยากนักปฏิบัติต้องมีความละเอียด อ, อ่อนต้องรู้จักแยกแยะว่ากำลังทําเพื่ออะไรกันแนะ่ทําเพื่อร่างกายทําไปเลยว่าร่างกายยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ต้องคอยดูแลรักษาเพราะว่ายัางต้องใช้ร่างกายในการปฏิบัติเพื่อตัดตปัญหาเพื่อดรบความทุกข์อยู่ ต, ต้องระมัดระวังว่าการดูแลร่างกายนี้ไม่ได้เป็นมีการแอบแฝงของปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างที่อธิบายให้ฟังเรื่องของการรับประทานอาหารถ้าอยากจะรับประทานเพื่อร่างกายจริงๆเพื่อตัญหาจริงๆก็ต้องทำอย่างนี้ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเรามีปัญหาหรือเปล่า เอามารวมกันเลยอาหารที่เราส่วนใหญ่เรามักจะทานอาหารที่เราชอบความชอบนี้ก็จะเกิดเกิดจากตัณหาความอยากความชอบก็จะทำให้เกิดตัณหาความอยากชอบอะไรก็อยากจะกินอย่างนั้นอะนั้นถ้าอยากจะกินอะไรเอามารวมกันแล้วดูซิว่ายังอยากกินหรือเปล่าให้มันเละกอยะๆอยู่ในภาชนะ แล้วค่อยกินอะไนั้นนะมันจะกินด้วยความจำใจมันไม่ได้กินด้วยความอยากอย่างนี้เรียกว่ากินเพื่อร่างกายจริงๆเหมือนเวลาที่เรากินยายานี้เราไม่อยากจะกินแต่เราต้องกินด้วยความจำใจเพราะเราต้องรักษาร่างกายให้มันหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บการรับประทานอาหารนี่ก็เหมือนกับรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายก็คือความหิวนี่ การขาดอาหารนี่ก็เป็นโรคชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าโรคขาดอาหารก็ต้องมีการเติมอาหารอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยการเติมอาหารนี่ก็ต้องให้มันอย่าไปเป็นไปตามการตามความอยากอยากไปเสริมความอยากเราต้องการทําลายความอยากเราก็ต้องหามาตรการทําลายมันนะ ก็คือวิธีที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้พิจารณาปฏิกูลอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเมื่อก่อนที่จะรับประทานขณะที่รับประทานให้พิจารณาอยู่ให้นึกถึงภาพที่มันเปลี่ยนไปของอาหารเวลามันเข้าไปในปากเวลาที่มันถูกบดถูกเคี้ยวผสมกับน้าลายต่างๆ ถ้ามองไม่เห็นภาพก็ควรจะทายมันออกมาแล้วก็ตัดเข้าไปรับประทานใหม่รลอนึกถึงเวลาที่มันอาเกียนออกมาจากในท้องและเวลาที่มันอับขับถ่ายออกมาทางทวารหนักอันนี้ก็เป็นอาหาเลยปฏิกู ล, ละสัญญาคือการมีการเห็นภาพของอาหารในขั้นตอนต่างๆ เวลาก่อนจะรับประทานอาหารท่านสอนให้พิจารณาอาหารเนี่ยก็ให้พิจารณาแบบนี้พิจารณาให้เห็นสภาพของอาหารจากขณะที่อยู่ในจานอยู่ในชามในขณะที่เราเอามารวมเอามาคลุกกันแล้วเอามาคนกันแล้วขั้นตน้นผสมมันอยู่ในภาชนะเดียวกันแล้วแล้วดูขั้นที่สองเวลามันอยู่ในปากขบเคี้ยวผสมด้วยน้าลาย ขั้นที่สามเวลาเข้าไปอยู่ในท้องขั้นที่สี่เวลาขับถ่ายออกมาให้ดูให้เห็นเห็นตลอดขั้นตอนทุกขั้นตอนของมันแล้วมันจะทำให้ความอยากรับประทานอาหารนี้มันหายไปมันจะรับประทานอาหารด้วยความจำใจด้วยความจําเป็นเหมือนกับเวลารับประทานยา แล้วต่อไปจะไม่มีปัญหากับเรื่องของการรับประทานอาหารจะรับประทานอะไรก็รับประทานได้ก็จะตัดการมัฉันทะตัวนี้ไปได้ถ้าตัดตัวนี้ไม่ได้เวลาจะภาวนานี้จะไม่เป็นอุปสรรคเดี๋ยวนั่งไม่ได้นั่งสมาธิได้ไม่ไม่กี่นาทีก็อยากคิดถึงอาหารแล้ว ยิ่งเคยรับประทานวันเราสามสี่ครั้งสี่ห้าครั้งนี้พอมาถือศี 8, แลแปดรับประทานได้เพียงครั้งสองครั้งเพราตกบ่ายเนี่ยก็ใจก็สั่นนะใจก็คิดแต่ภาพของอาหารที่อยู่ในจานก็ต้องคิดถึงมันตอนที่เราเอามารวมกันในภาชนะเดียวกันเอามาคลุกกันให้มันเป็นอาหารจานเดียวกันชนิดเดียวกัน แล้วก็ดูเวลามันเข้าไปในปากเวลาเข้าไปในท้องเวลามันออกมาถ้าเราเห็นภาพเหล่านี้มันจะทำลายความหิวความอยากของใจได้ไม่ใช่เป็นความหิวของร่างกายเป็นความหิวของตัณหาของกามฉันทะถ้าเราจะภาวนาเราต้องมีมาตรการเหล่านี้ไม่เช่นนั้นเราจะภาวนาไม่ได้ใจจะฟุง้ง จะคิดกับถึงเรื่องอาหารการกินคิดถึงแต่เรื่องเครื่องดื่มอะไรต่างๆเราก็จะไม่มีวันที่จะก้าวหน้าในทางปฏิบัติได้ฉะนั้นเราต้องถือศีลแปดแล้วก็ต้องเจริญอาหารเลยปฏิบูรลสัญญาแล้วจะทําให้เรื่องกินเรื่องดื่มเรื่องรับประทานนี้หมดปัญหาไป นอกจากนั้นแล้วเรายังต้องมารักษาข้อที่เจ็ดคือการปิดทวารทั้งห้าไม่ให้ไปหาพวกมหอลสพและเครื่องบรรเทิงต่างๆเช่นการดูภาพ ย, ายนตร์การฟังเพลงการร้องรำทำเพลงการไปเที่ยวตามสถานบรรเทิงต่างๆการออกไปรับประทานอาหารเรือยงไปงานแต่งงานงานวันเกิด งานอะไรต่างๆอันนี้ล้วนเป็นเรื่องของการมฉันทะทั้งนั้นคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราต้องการดับความทุกข์ใจและสร้างความสุขทางใจเราต้องตัดความสุขทางร่างกายไปให้ได้โดยการถือสีงห์ข้อแข้อเจนี้ก็คือไม่ไม่หาความสุขจากพวกหมหัศลศพ บ, บันเทิงต่างๆ แล้วก็ไม่หาความสุขจากการเสริมสวยเสริมความงามของร่างกายด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาพรที่วิจิตรพิศดารเสริมหน้าด้วยเครื่องสาอางต่างๆเสริมผมด้วยวิธีด้วยการหวีด้วยการดัดต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่จะทำให้ต้องเสียเวลา หมดไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นความสวยงามเชื่อกล่าวเป็นความสวยงามที่ไม่ใช่เป็นความจริงเวลาไม่สวยงามเป็นยังไงเวลาไม่เสริมสวยเป็นยังไงเวลาเสริมสวยแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นๆได้นานสักเท่าไหร่มันก็ได้ไม่กี่ชัว่วโมงเดี๋ยวก็ต้องกลับมาบ้านกลับมานอนกลับมานอนก็ต้องล่างนั่งร่างหน้า ทำผมใหม่ปล่อยผมให้มันสบายให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดูตอนที่เราติ่ขึ้นมาหน้าตาเป็นยังไงอย่าไปหลอกตัวเองอย่าไปหลอกคนอื่นความสวยงามของคนเราที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่จิตใจอยู่ที่จิตใจที่มีทานมีศีลนี่แหละถ้ามีทานมีศีลแล้วจะเป็นคนที่น่ารัก น่าชื่นชมยินดีน่าคบค้าสมาคมด้วยถ้าสวยทางร่างกายแต่จิตใจไม่สวยใจตนีใจโลดเห็นแก่ตัวใจไม่มีความเมตตาการุณาร้อยความกรุณาราณีอย่างนี้ถึงแม้จะสวยงามด้วยเครื่องสำมาด้วยเสื้อผ้าผ่อนก็จะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคม ชื่นชมยินดีด้วยนั้นเราอย่าไปกังวลกับเรื่องของร่างกายเรื่องของความสวยงามของร่างกายแล้วเราจะได้มีเวลามาบำเพ็ญความสวยงามทางใจคือรักษาสิลงแปดแล้วก็ภาวนาทาใจให้สงบใจสงบได้เท่าไหร่ใจก็จะยิ่งสวยงามมากขึ้นเท่านั้น เพราะใจที่สงบนี้จะมีกิริยาการทางร่างกายที่สงบที่สวยงามทุกการเคลื่อนไหวจะไม่มีการกระทําที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียเกิดความน่ารังเกียจเกิดขึ้นได้เลยนี่คือการรักษาศีลข้อที่เจ็ดส่วนรักษาศีลข้อที่แก็เพื่อจะได้มีเวลามาบาเพ็ญ ภาวนาะถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆเวลานอนพักผ่อนพอแล้วร่างกายได้พักพอแล้วตื่นขึ้นมาแต่เนื่องจากมันยังสบายก็จะไม่อยากลุกขึ้นมาก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมงแต่ถ้าอ น, นอนบนพื้นแข็งๆเวลาร่างกายได้พักแล้ว ตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะลุกขึ้นมาน้างหน้าร้างตาบำเพ็ญจิตตะภาวนาต่อไปลุกขึ้นมาเดินจงกรมถ้ายัางง่วงเหาเหานอนอยู่ก็ลุกขึ้นมาเดินให้มันหายง่วงหายง่วงแล้วก็กลับไปนั่งสมาธิต่อจะหลับกันไปจนกว่าจะถึงเวลาไปทาภารกิจอย่างอื่นต่อไปนี่คือ ศีลข้อศีล8ดข้อที่เราต้องก้าวจากศีลห้าข้อขึ้นไปเบื้องต้นก็รักษาศีลห้าให้ได้ก่อนพอรักษาศีลห้าได้ก็จะมีกําลังพอที่จะรักษาศีล8ได้จะรักษาได้กี่วันก็เอาไปตามกําลังก่อนเบื้องต้นอาจจะเอาอาทิตย์ละวันก่อนเช่นทุกวันพระจะรักษาศีล8ด แล้วต่อไปถ้าเห็นคุณค่าของการรักษาศินแปะ ก, ก็เพิ่มเป็นสองวันเพิ่มเป็นสามวันไปแล้วต่อไปก็จะรักษาได้ทุกวันถ้ารักษาได้ทุกวันก็จะภาวนาได้ทุกวันได้ผลเป็นกรอบเป็นกรรมขึ้นมาได้จากมือสมัครเล่นก็จะได้กลายเป็นมืออาชีพได้ถ้ารักษาอาทิตย์ละครั้งนี้เหมือนกับมือสมัครเล่น เหมือนพวกนักกีฬาที่เขาไปเล่นกีฬากันในช่วงวันหยุดทางานวันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็ไปตีกอล์ฟกันไปวิ่งกันไปทำอะไรกันเพราะเขามีเวลาว่างแต่เขาก็ทำได้แต่เฉพาะวันหยุดการทำงานพอวันทำงานก็ต้องกลับไปทำงานความสามารถในการเล่นกีฬาของเขาจึงไม่สู้คนที่เป็นมืออาชีพไม่ได้ เพระคนที่เป็นมืออาชีพนี้เขาทำทุกวันเขาเล่นทุกวันเขาซ้อมทุกวันเขาจึิไปแข่งโอลิมปิกได้แข่งเหรียญทองได้แต่พวกมือสมัครเล่นนี้ก็ต้องไปแข่งที่ขอบสนามไปนั่งเชียร์เขาเท่านั้นแต่ตัวเองจะไม่มีสมรรถภาพความสามารถพอที่จะลงแข่งกับเขาได้ พวกภาวนาพวกถือศีลแปดมือสมัครเล่นก็แบบนี้ก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็มีแต่ได้นั่งเชีย์คนอื่นไปตัวเองยังไม่มีกําลังพอที่จะลงไปในสนามเพื่อไปแข่งขันกับกิเลสตัณหาของตนได้ลงไปทีไรก็แพ้กิเลสตัณหาทุกทีลงไปทีไรนั่งสมาธิได้ห้านาทีก็อยากจะลุกแล้ว เพราะไม่มีกำลังไม่มีสติไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติให้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้ารักษาสิลนแปดได้ทุกวันแสดงว่าไม่ต้องไปทำงานแล้วผู้ที่รักษาศิลนแปดได้ทุกวันก็ไปลปีกเว่ยได้เมื่อไปลปีกเว่ยอยู่ห่างไกลจากสิ่งรบกวนใจต่าง การเจริญสติเพื่อบำเพ็ญสมถาภาวนาก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายเจริญสติอย่างต่อเนื่องได้เวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวหยุดความอยากทั้งหมดได้เลยตอนที่จิตสงบนี้ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยมีอยู่แต่ไม่แสดงตัวออกมา เหมือนกับหินทับยายญานี้ถ้าเปียบเป็นเหมือนตันหาความอยากสมาธิหรือสตินี้ก็เป็นเหมือนกับหินที่จะทับกิเลสตันหาเอาไว้ทำให้ตันหานี่ไม่สามารถออกมาเพ่นพ่านออกมาทำงานได้เวลาจิตสงบจึงเป็นเหมือนว่าได้บรรลุถึงพันิพานแล้วเพราะพานันธิพานก็คือการไม่มีตันหาความอยากนี้เอง แต่ต่างกันตรงที่ว่าพระนิพพานนี้ไม่มีจริงๆแล้วก็สงบอย่างถาวรจริงๆแต่ความสงบของสมาธินี้ยังสงบชั่วคราวสงบในขณะที่สติมีกำลังกดตันหาเอาไว้พอสติอ่อนกำลังลงจิตก็จะถอนออกจากสมาธิออกมาเริ่มคิดปรุงแต่ง พอคิดปรุงแต่งปัญหาก็จะออกตามมาได้คิดถึงตู้เย็นก็อยากจะไปเปิดดูว่ามีอะไรคิดถึงขนมนมเลยก็อยากจะรับประทานขึ้นมานี่คือการทำลายหรือการยุติปัญหาความอยากไว้ชั่วคราวโดวยอำนาจของการเจริญสติเพื่อให้ได้สมถะภาวนาก็คือให้ได้ความสงบ เวลาจิตสงบนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรสติก็ไม่ต้องเจริญให้สักแต่ว่ารู้ไปเฉยๆเพราะไม่มีอะไรจะคอยคุมควบคุมความคิดปูงแต่งหยุดทำงานสติก็เลยหยุดทำงานไปด้วยแล้วก็ความสงบก็ขึ้นอยู่กับกำลังของสติที่ดันเข้าไปว่ามีมากมีน้อยมีน้อยก็อยู่ได้เดียวๆถ้ามีมากก็อยู่ได้นาน ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวก็ต้องออกมาพอออกมาแนละ้วความสงบก็ค่อยๆจางหายไปเห็นที่เรายกขึ้นจากหญ้าที่ทับไว้เดี๋ยวหญ้าก็ค่อยงอกกลับขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้หญ้านี้ถูกทำลายอย่างถาวรก็ต้องถอนรากถอนโคนของหญ้าเลยถ้าถอนรากถอนโคนของหญ้าได้แล้วไม่ต้องเอาหินไปทับเหมันก็นได้ มันไม่มีวันที่จะง้องเงยขึ้นมาได้แล้ววิธีที่จะถอนรากถอนโคนของปัญหาความอยากต่างๆก็ต้องใช้ปัญญาแล้วก็ต้องใช้ตอนที่ออกมาจากสมาธิเพราะต้องปัญญาก็คือความคิดปรุงแต่งนี้เองแต่ว่าต้องคิดปรุงแต่งไปในทางถอดถอนไม่ใช่คิดปรุงแต่งไปในการส่งเสริมความคิดนี้สามารถ บูแต่งไปได้สองสองทางใหญ่ๆสองทางสำคัญสาคัญก็คือคิดไปในทางส่งเสริมการเจริญของตันหาความอยากกับคิดกันไปในทางที่จะถอดถอนตันหาความอยากคิดอย่างไรถึงจะส่งเสริมว่าส่งเสริมตันหาความอยากคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นให้ความสุขกับเราสิ่งนั้นเป็นของเรา สิ่งนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะกรดตันหาความอยากเห็นอะไรดีก็อยากได้เห็นอะไรที่จะให้ความสุขก็อยากจะได้ได้แล้วก็คิดว่าจะให้ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดจะเป็นของเราไปตลอดเช่นได้แฟนมาก็คิดว่าเขาจะต้องให้ความสุขกับเราไปตลอดอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เป็นของเราไปตลอดไม่เป็นไม่ไปเป็นของคนอื่นมันก็จะเกิดตันหาอยางได้เขามาเป็นแฟนอยากได้เขามาเป็นคู่คราแต่ถ้าเราคิดไปในทางถอดถอนตันหาเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นทุกข์ไม่ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์อย่างไรก็ทุกข์เพราะว่าเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาไม่คงเส้นคงวาเวลาเจอกันมหนๆ่ๆเขาก็หวานยิ่งกว่า น, น้ำตาล รับใช้เรายิ่งยิ่งกว่าธานุแต่พอเวลาเขาได้เรามาแล้วทีนี้เขากลับมาเป็นนายแล้วแทนที่จะเป็นธาตเราเดี๋ยวนี้เขาสั่งเรานะ้สั่งให้เราทำํนนทำนู่นทะํานี่แล้วอันนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เวลาเขาเปลี่ยนไปเ้วไปสั่งเขาได้หรือเปล่าไปห้ามเขาได้หรือเปล่าี่เรียกว่าอนัตตา ท่านถึงสอนให้คิดไปในทางถอดถอนตัณหาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วแล้วมันจะส ก, กัดตัณหาความอยากต่างๆได้เวลาเกิดความอยากก็ต้องพิจารณาตายรักทันทีในสิ่งที่อยากได้แล้วมันก็จะทำให้ตัณหานั้นหดไปหยุดไปนี่ก็คือการถอดถอนรากโคนรากเหง้าของตัณหาคือความหลง ความหลงที่ไปเห็นว่าเป็นสุขแทนที่จะเห็นว่าเป็นทุกข์กับเห็นว่าเป็นสุขแทนที่จะเห็นว่าไม่เที่ยงกับเห็นว่าเที่ยงแทนที่จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่สามารถไปสั่งไปควบคุมบังคับเขาได้ก็ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราสั่งเขาได้บังคับเขาได้นี่คือวิธีถอดถอนต้องคิดไปตามความจริง ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในของภายนอกก็ที่เราเห็นด้วยร่างกายของเราของภายในก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยใจของเรามันก็เป็นตายัก์ด้วยกันทัางนั้นถ้ามีปัญญาเห็นตายัก์มันก็จะถอดถอนตัญหาความอยากต่างๆได้ ถอดถอนการมารตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาให้หมดไปจากใจได้เมื่อถอดถอนหมดการงานงานหน้าที่ของเราก็จบลงไม่มีอะไรจะต้องทำอีกต่อไปเสร็จงานแล้วภารกิจทางทางธมมจารย์นี้หมดแล้วไม่มีกิจที่จะต้องทาอีกต่อไปกิจอื่นที่ต้องทำก็ทําไปอย่างนั้นแหละทาก็ได้ไม่ทำก็ได้ เป็นการดูแลรักษาเลี้ยงดูร่างกายจะเลี้ยงให้มันอยู่ต่อไปก็ได้ถ้าขี้เกียจไม่เลี้ยงมันก็ได้ไม่ไงั้นมันก็ตายเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันตรงที่ว่ามันช้าหรือเร็วแต่ผลกระทบกับจิตใจไม่มีมันเป็นศูนย์ไปแล้วมันไม่ได้ทำให้จิตใจทุกข์มากขึ้นหรือสุขมากขึ้นจิตใจนิสสุขเต็มเปี่ยมเลยแล้ว ให้ดูแลรักษาร่างกายให้ดีขนาดไหนให้อยู่ยาวไปอีกร้อยปีพันปีมันก็ไม่ได้ทําให้ใจมีความสุขเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดกลับเป็นภาระกับจิตใจที่ต้องคอยแบกมันไปอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่าขันนี้เป็นภาระฮเวเปัญจักขันธาขันห้านี้เป็นภาระอันหนักยิ่งสําหรับผู้ที่ดูดพ้นจากความทุกข์แล้วจะเห็นว่าขันนี้เป็นของหนัก แต่คนที่ยังมีกิเลสตัณหานี่ยังจะเห็นว่าการมีขันนี่เป็นเหมือนกับมีทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าอันคล้อความหลงไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการต้องคอยดูแลรักษาต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายมองไม่เห็นเพราะตัณหาความอยากโมหะอาวิชชาครอบงาจิตใจทาให้มองไม่เห็น สิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกับจิตใจตผู้ที่กาจัดอวิชชาตันหาโมหะออกไปหมดแล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นภารมันไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจแล้วแต่จะมีประโยชน์ก็เพียงแต่ใช้มันในการในการสงเคราะห์โลกเท่านั้นเองไม่ว่าด้วยวัตถุข้าวของเงินทองหรือด้วยธรรมะ นั่นก็คือสิ่งที่พระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านทํากันหลังจากที่ภารกิจของท่านได้สำเร็จลงแล้วท่านก็ทาหน้าที่สงเคราะห์โลกด้วยวิธีการต่างๆถ้าสงเคราะห์ด้วยธรรมะได้ก็สงเคราะห์ธรรมะไปถ้าเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะรับธรรมะได้ก็สงเคราะห์ด้วยวัตถุเข้าของเงินทองสิ่งของไปตามแต่ฐานะของเขา ทำไปก็ไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ให้กับตนเลยแม้แต่นิดเดียวทําเพื่อโลกจริงๆทําด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าไม่มีความต้องการอะไรจากโลกนี้แล้วจิตมีความสุขมีมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจไม่ว่าจะได้เงินทองมามากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทายความสุขนั้นให้มีเพิ่มมากขึ้นใดอย่างใด หรือสูญเสียเงินทองเหล่านั้นไปก็ไม่ได้ทําให้ความสุขในใจนั้นหดหายไปแต่อย่างใดท่านถึงรับได้และให้ได้อย่างง่ายดายใครให้อะไรมาก็รับได้แล้วท่านก็ให้ไปได้อย่างง่ายดายเพราะใจมันไม่มีอะไรที่ได้ที่เสียไปกับสิ่งที่ได้มาหรือเสียไปนั่นเองนี่คือจิตใจของผู้ที่ได้ทําภารกิจของตนสําเร็จเรียบร้อยแล้วคือ ทำลายปัญหาความอยากให้หมดไปจากใจแล้วทำให้ความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจนี้หมดไปแล้วนี่คือผลที่จากการได้นำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีเนื้อหาสาระอยู่เพียงเนื้อหาเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องของความทุกข์และวิธีการดับความทุกข์นั้นดังนั้นขอให้พวกเราจง มีความสังวรมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าการที่เราดำเนินตามคําสอนของพระเจ้านี้มีเพื่อตัดตัณหาความอยากทั้งหลายไม่ใช่เพิ่มก้นตัณหาความอยากทั้งหลายเวลาทำทานเวลารักษาศีลเวลาภาวนาต้องดูว่าเราทำเพื่ออะไรกันแนะ่ถ้าเราทำเพื่อตัณหาเราก็ควรที่จะปรับเสียให้มันทำเพื่อทำลายตัณหา แล้วเราจะได้ไม่หลงทางแลวเราจะได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่นิพพานังปาลมังสุขขังคือไปสู่พระนิพพานที่มีแต่บรลมัสุคนี้เองการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติ ไวเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวารรวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานังอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหงังเกปเมวะสมิจจโตสัพเทปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวทวันตารโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาธนศิริสนริจางุฏาปจายโน จตาโรโหธมมาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลางในลำดับต่อไปนี้ก็จะเปิดโอกาสนะ ให้ถามปัญหาธรรมะถ้าถามขอกรุณาขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพราะคนฟังจะได้ยินเสียงคําถามไปด้วยวันนี้ทางอินเทอร์เน็ตมีไหมมีคะถ้าไม่ ม, ม, มีไม่มีใครถามก็ผ่านถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้มีคําถามคนฝากถามมานะคะ สามีดิฉันนับถือศาสนาคริสต์ส่วนตัวดิฉันเองนับถือศาสนาพุทธสามีดิฉันเสียไปแล้วถ้าดิฉันทำบุญให้เขาเขาจะได้รับบุญที่ดิฉันทำหรือไม่คะถ้าเขาอยู่ในฐานะที่รอรับบุญอยู่เขาก็จะได้รับบุญการที่เขาจะเป็นอะไรนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเขานับถือศาสนาใดนับถือศาสนาพุทธคริสต์หรืออิสลาม นี่ไม่ใช่เป็นตัวบ่งบอกว่าเวลาตายเาแล้วเขาจะไปเป็นอะไรสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเวลาเขาตายไปแล้วเป็นอะไรก็คือกรรมคือการกระทาที่เขาทาในขณะที่มีชีวิตอยู่กรรมก็มีบุญบาปถ้าทำบุญมากกว่าบาปตายไปก็จะไปสวรรค์เพราะบุญจะมีกำลังดึงไปสวรรค์ถ้า ตายตาบาปมีกําลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปอบายซึ่งมีอยู่สที่ด้วยกันที่หนึ่งเรียกว่าเดรัจฉานที่สองเรียกว่าเปรตที่สเรียกว่าอาสุรกายที่สี่เรียกว่านรกถ้าเขาไปตกอยู่ในที่สองคือเป็นเปรตนั่นแหละเป็นฐานะของผู้ที่จะต้องมารอรับส่วนบุญเพราะเขาไม่มีบุญที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจของเขา ส่วนเดลฉานนี้เขาก็ไปหาอะไรของเขาได้ตามอัตภาพของเขาส่วนผีกับนรกนี้เขาไม่อยู่ในฐานะที่จะรับได้เพราะจิตใจของเขานี้อยู่ในอยู่ในสภาพของความทุกข์ที่ไม่บุญอุทิศนี้เยียวยาให้ไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในทํามกลางของความกลัวถ้าเป็นเปรต อยู่ในท่ามกลางของความโกรธเกรยียดอาฆาตปราบาทถ้าอยู่ในนรกแต่พวกที่เป็นเปรต น, นี้เขาอยู่ด้วยความหิวโหยบุญที่อุทิศนี้ก็จะเป็นอาหารให้เขาหายจากการหิวโหยได้ชั่วระยะหนึ่งจนกว่าบาปที่เขาทำไว้หมดกำลังแล้วเขาก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดาก็ตาม ก็แห่งกรรมนี้ไม่ยกเว้นทั้งนั้นเหมือนกันหมดเป็นพุทธรมบาปเป็นคริสรมบาป เ, เป็นอิสลามรมบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตด้วยกันทั้งนั้น อ, อ, อันนี้มันเป็นกฎสาคัเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บนี้มันไม่เลือกว่าเป็นชนชาติใดเช่นตอนนี้เป็นอีโบลากลังระบาดมันเจอใครมันก็กัดมันก็เข้าไปสร้างความ เจ็บ่ข้ได้ป่วยให้ได้ทุกคนสากรไม่ว่าจะนับถือคริสหรือพูดธหรืออิสลามอีโบลามันไม่เลือกการเป็นเปรตมันก็ไม่เลือกเหมือนกันถ้าทำบาปด้วยความโลภมันก็ต้องไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความโกรธเปลียดอาฆาตพยาบาทมันก็ไ ป, ปนรกถ้าทำบาปด้วยควา ม, วามกลัวก็ไปเป็นผีเป็นอสุรกาย ถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ทำด้วยความหลงก็ไปเป็นเดลฉานนี่คือที่ไปของผู้กระทำบาปสี่สถานที่ด้วยกันด้วยเหตุผลที่ต่างกันไปผู้ที่จะรับบุญอุทิศได้ก็ไปผู้ที่ทำบาปด้วยความโลภแล้วมีความหิวโหยที่สามารถที่จะใช้บุญที่พวกเราอุทิศไปนี้ดับความหิวโหยของเขาได้ในระดับหนึ่ง ทำให้เขาทุกข์ทรมาน้อยลงไปเขาอยู่ในสถานะเหมือนขอทานถ้าเราให้เงินขอทานนี้ก็ช่วยโยยาให้เขาบรรเทาความทุกข์ได้น้อยลงไปหน่อยแต่เขาก็ยังต้องทุกข์แบบขอทานอยู่เขาก็ยังต้องนอนใต้สะพานยังต้องรอรับส่วนท า, านของผู้อื่นอยู่ต่อไปจนกว่าเขาจะพ้นจากสภาพนั้นเท่านั้น ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ค่อยมาว่ากันใหม่รอบนึงค่ะอาจาย์แล้วอย่างเมื่อเช้ชาพี่ต่อเขาบอกว่าเขาไปทําสังฆทานให้โรบินมิลเลียมสิค่าตัวตายพี่ต่อบอกว่าไปทําสังฆทานให้โรบินมิลเลียมที่ฆ่าตัวตายใโรบินซิลเลียมคือนักสแสดงฮอลลีวูดถ้าเขาฆ่าตัวตายนี้มันมักจะไปนรกใช่มากกว่า เขาก็จะไม่ได้รับบุญอุทิตใช่ไหมคะอะก็ไม่แน่ว่าเขาถ้าเท่าทำด้วยความไม่รู้เขาอาจจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ได้ถ้าเขาทำด้วยความโลภก็ก็ไปเกิดเป็นเปรตถ้าเขาไปเป็นเปรตถ้าเขามารอรับก็เขาก็จะรับได้เข้อต่อไปนะคะมีคนฝากถามมาบอกว่ากระผมนั่งสมาธิสักระยะหนึ่งเมื่อจิตสงบแล้วจิตจะเบากายก็เบา สามารถนั่งและอยู่ได้นานโดยไม่มีเวทนาปวดเมื่อยมารบกวนอาการเช่นนี้ถือว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่ด้วยความเคารพอย่างสูงครับเป็นเรียกว่าสมาธิจิตเป็นอุเบกขาจิตไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่มาให้สัมผัสรับรู้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสหรือผฏฐัพพะในกรณีเวทนานี่ก็เป็นผฏฐัพพะ ที่มาให้สัมผัสรับรู้ผ่านทางร่างกายถ้าเสียงก็ได้ยินเสียงก็จะไม่รู้สึกงุนหงิด ต, ตาคานใจอันนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งสมาธินี่มีหลายระดับถ้าระดับดึกสุดนี้ก็จะหายไปหมดเลยการรับรู้ผ่านทางทวารทั้ง5้านี้จะถูกปิดไปร่างกายนี้หายไปจากความรับรู้ชั่วคราวหลือแต่จิต อยู่ตามลำพังของตนสักแต่ว่ารู้อันนี้เป็นการรวมของจิตยอย่างเต็มที่แต่ถ้ารวมไม่เต็มที่ยังสามารถรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้แต่ใจไม่มีปฏิกิริยากับการรับรู้ไม่เหมือนกับขณะที่ออกจากสมาธิพอรับรู้อะไรนี้จะมีปฏิกิริยาทันที ได้ยินเสียงที่ถูกใจก็ชอบดีใจได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจไม่ชอบก็เสียใจแต่ถ้าถ้ารับรับฟังเสียงที่ชอบหรือไม่ชอบแล้วเฉยเฉยไม่มีปฏิกิริยาก็เรียกว่าเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาข้อสําคัญก็ต้องไม่มีความคิดปรุงแต่งนะสักแต่ว่ารู้เฉยเฉยอยู่ในอยู่ในอยู่อย่างอยู่อย่างนั้นไป ถึงแม่รับรู้ก็ไม่มีการปรุงแต่งตอกโตรับรู้แล้วก็ปล่อยวางผ่านไปเกิดแล้วก็หนับไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาธิอีกแบบหนึง่งได้ทั้งสองแบบคือสิ่งที่เราต้องการก็คือให้ใจนี้เฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างเฉยแบบธรรมชาติไม่ได้เฉยแบบกดบังคับไว้ถ้าเฉยแบบนั้นมันเฉยแบบดิน เหมือนกระจับปลาที่มันยังดิ้นอยู่จับปลาเป็นนี่มันยังดิ้นอยู่ต้องเอาแบบจับปลาตายมันไม่ดิ้นถ้ามันเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาจริงมันจะไม่มีปฏิกิริยามันจะไม่รู้สึกว่าเราไปกดมันบังคับมันแต่ถ้ามันเป็นความเฉยแบบที่เรากดเราบังคับนี่มันยังไม่ใช่เป็นอุเบกขาอย่างแท้จริงมีอีกไหมคําถามมีพี่คนฝากถามมาทางไลน์ค่ะ ถามว่าพ่อกับแม่นอนนอนชั้นล่างส่วนลูกนอนชั้นบนจะบาปหรือว่าไม่ดีหรือไม่คะมันอยู่ที่เหตุผลว่าเราเราทําด้วยเหตุผล ก, ไกลไกได้ถ้าเราทําเพราะว่าเราอยากจะอยู่สูงกับพ่อแม่อยากจะบังคับให้พ่อแม่ต่ํากว่าเราให้เป็นทาสเราเป็นคนใช้เราอย่างนี้ก็บาป แต่ถ้าว่าทาด้วยเหตุผลอื่นเช่นพ่อแม่ปีนขึ้นบันไดไม่ไหวคนแก่ต้องนอนข้างล่างคนหนุ่มคนสาวมีกำลังมากกว่านอนข้างบนสะดวกกว่าอย่างนี้ไม่บาปอยู่ที่เหตุผลว่าเราทำด้วยเหตุผลอะไรแค่เราหลงตัวเองว่าตอนนี้เราเป็นใหญ่เป็นโตมีตำแหน่งหน้าที่การงานเห็นพ่อแม่เป็นคนไม่มีการศึกษาเหมือนคนใช้ให้อยู่กับเราไม่ได้อยู่ชั้นเดียวกับเราไม่ได้ ต้องอยู่กับคนใช้ถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าบาปว่าเป็นการหลงตัวเองลืมตนลืมผู้มีพระคุณผู้มีผู้บังเกิดกล้าวของตนแทนที่จะยกย่องเชิดชูบูชาท่านกลับไปข่มเหงรังแกท่าน อ, าอย่างนี้เรียกว่าบาปแล้วก็อีกข้อหนึ่งตั้งใจรักษาศีลแปด แต่พอถึงช่วงปลายมีอาการป่วยหรือหิวมากจนจะเป็นลมเปลี่ยนมาอารัธนาสินห้าแทนได้ไหมคะเหมือนเปลี่ยนเกียร์รถอะพอจะขึ้นเขาว่าต้องเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนได้แต่มันก็จะไม่ได้อนิสง์ของการรักษาศินแปก็เหมือนกับเปลี่ยนรถเนี่ยขับรถเบนจจ่ายผ่อนไม่ไหวก็ต้องมาขับรถโตโยต้ ข้อหนึ่งเป็นข้อกับซิปไม่ออกไม่ขอเอ่ยน้ํามค่ะบอกว่าการใส่บาดพระหรือว่าถวายอาหารกับพระต้องเป็นอาหารสดแต่ถ้าบางคนใส่มามา่าที่ต้องเอาไปคุกต่ออย่างนี้ถือว่าบาปไหมคะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าพระท่านเก็บไว้ไม่ได้อาหารที่เป็นอาหารนี้ท่านเก็บไว้ได้เพียงแค่ช่วงระยะเที่ยงวันเท่า น, นั้นเองหลังจากเที่ยงวันแล้วส่วนที่เป็นอาหารนี้ท่านต้องสละ ไปหมดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระสะสมของไว้ในกุฏิของตนแต่ทรงอนุญาตให้สะสมไว้ในคลังของวัดได้เช่นถ้าญาติโยมอยากจะถว า, ายของให้เก็บไว้นานๆอย่าไปใส่บาตรอย่าไปประเคนกับมืออย่างที่อาตมารับของนี่ส่วนใหญ่จะให้วางไว้เฉยๆถ้าญาติโยมวางไว้เฉยๆนี่ถือว่าพระยังไม่ได้รับประเคนพระยังเอาไปใช้ไม่ได้ แต่เก็บไว้ได้ตลอดเวลาไม่มีวันหมดอายุเวลาจะต้องการจะใช้ก็ต้องให้ลูกศิษย์หยิบมาประเคนให้ถึงจะใช้ได้แต่ถ้ารับประเคนด้วยมือเองของมันจะมีอายุของนี้ท่านแบ่งไว้สามชนิดด้วยกันชนิดอาหารนีมีอายุแค่ถึงเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถึงแม่รับตอนนี้ก็หมดอายุทันทีเลย ถวายมามาถวายปลากระป๋องมารับปั๊บนี้ก็ต้องสละแล้วเก็บไว้กินพวกนี้ไม่ได้เรียกว่าอาหารงั้นข้าเป็นของอาหารอยากจะถวายพระให้เก็บไว้นานๆเอาวางตั้งไว้เฉยๆตั้งไว้ข้างหน้าก็ได้บอกขอถวายอันนี้ก็ถ้าได้เท่ากับถวายอยู่แล้วเพียงแต่ต้องทําให้มันถูกพระวินยัยพระยังไม่ถือว่าเป็นของของตนเป็นของส่วนกลางอยู่ของสง เวลาต้องการจะใช้ค่อยให้ลูกสิธิ์มาประเคนเอาไปเก็บไว้ที่กุฏิไม่ได้ต้องเก็บไว้ที่ที่เก็บของของวัดวัดจะมีที่เก็บของส่วนกลางไว้ของทั้งหมดที่ไม่ได้รับประเคนเนี่ยให้เอาไปไว้ที่นั่นเวลาจะใช้ค่อยให้ลูกสิธิ์เอามาประเคนให้ทีนึงพวกอาหารก็มีอายุเพียงครึ่งวันเช้าถึงเทนพวกที่เรียกว่าเพสัคือพวกน้ำตาล น, น้ำอ้อยเนยข้นเนยใส น้ำพึ่งนี้ท่านอนุญาตให้ท่านรับประเคนนีท่านให้เก็บไว้ได้เจ็ดวันและฉันได้ตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงถือว่าเป็นยาสมัยก่อนเขาคงกินทุกยาพวกนี้รักษาอาการเจ็บท้องปวดท้องอะไรบ้างมันคงจะไปเกลือกกระเพาะหรือไปทำอะไรท่านก็เลยอนุญาตให้มีเพสัชท่ห้าชนิดด้วยกัน พวนี้เก็บไว้ได้ไม่เกินเจดวันพอหลังจากเจ็ดวันแล้วถ้ายังมีเหลืออยู่ก็ต้องสละให้คนอื่นไปสละให้กับพระด้วยกันไม่ได้ต้องสละให้ฆร า, าวาสญาบโยมไปลูกศิษย์ลูกหาไปหรือเอาไปทําบุญทําทานไปแล้วชนิดที่สามเรียกว่ายาจริงๆยาเช่นยาแก้ปวดหัวปวดท้องยาอะไรต่างๆอันนี้รับประทานแล้วเก็บไว้ได้ตลอดเวลาเก็บไว้ได้ที่กุฏิด้วย เพราะวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะได้หยิบได้ทันโท่งทีถ้าเป็นยานี้ถวายได้ตลอดเวลาเก็บนอกเก็บไว้ได้ตลอดเวลาไม่มีวันเถื่อมนอกจากตามที่เขาเขียนไว้ในฉลากจะเสื่อมไปตามวันที่เขาเขียนไว้ในฉลากเท่านั้นนี่คือเรื่องของการประเคนของให้กับพระเราต้องรู้จักแยกแยะแต่สมัยนี้ญาติโยมไม่รู้กันก็เลยรวมกันหมดเลยพวก ที่เขาใส่ในกระป๋งสีเหลืองนี่เขาอยากจะถวายให้ครบทั้งสี่คือปัจจัยสี่ยาก็ใส่เข้าไปอาหารก็ใส่เข้าไปจีวรเขใส่เข้าไปถึงแม้จีวรจะามาห่มไม่ได้ก็อย่างน้อยก็เป็นผ้าเหลืองๆชิ้นหนึ่งก็ถือว่าเป็นจีวรแล้วกระเป๋งเขาคงจะถือว่าเป็นกุฏิ <laughs> ไว้ข้อผัวเวลาผอตี่น้องต่ ทำบุญก็อยากจะถวายปัจจัยสีให้ครบเขาก็เลยใส่แล้วหมอมาถึงก็บงกังคับให้พระรับประกันให้วางไว้เฉยๆ ก, ก็กลัวไม่ได้บุญอีกเมื่อกีบางคนขนกลับไปก็มีเพราะบอกว่าให้วางไว้เฉยๆว่าได้ถวายแล้วฉันไม่ได้บุญท่านไม่รับฉันไม่ได้บุญฉันไปดีกว่าไปถวายที่อื่นดีกว่าอย่างนั้นก็มีเพราะไม่การไม่รู้ไม่มีการสอนไม่มีการบอก แล้วพระที่มาบวชใหม่ที่หลังก็ไม่รู้เรื่องเขาเอาอะไรมาถวายก็รับประเคนเลยแล้วเขาก็แบบถือว่าลับค่อยไปว่ากันใหม่หรือตอนนี้รับประเคนแบบหลอกๆไปก่อนรับประเคนให้ญาติโยมดีออกดีใจแล้วค่อยไปแยกแยะของที่หลังเขาไหนที่เป็นอาหารก็แยกเก็บไว้ส่วนอะไรแล้วอยากจะได้อะไรก็ให้ลูกศิษย์ค่อยมาประเคนให้ใหม่เขาทํากันแบบนี้ะ ซึ่งทางสายวัดป่าท่านไม่ทําท่านทําแบบไม่หลอกทําแบบจริงๆเลยเอบอกประเคนไม่ได้ก็ประเคนไม่ได้บอวางไว้ต้องวางไว้เพื่อจะได้สอนญาติโยมไปในตัวญาติโยมที่ไปทําบุญที่วัดป่าจึงได้ปัญญาด้วยได้บุญคือความสุขใจแล้วก็ได้ปัญญาความเห็นความรู้ที่ถูกต้องในการทานุบํารุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมพระให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แทนที่จะส่งเสริมให้พระปฏิบัติผิดธรรมวินัยเพราะด้วยความเก่งใจ ญ, ญาติโยมนี่คือเรื่องของการถวายของที่เราต้องควรจะศึกษามีอะไรอีกไหมหมดแล้วนะข้างนนี้มีใครอยากจะถามอะไรหรือเปล่าถามได้นะไม่มีใครกัดแล้วไม่มีใครว่าเนะออ พระอาจารย์คะเมื่อเช้านี้คะ่ะที่สาราค่ ะ, ะพระแถวหลังเนี่ยมีโยมไปประเคนตอนหลังเลยคะ่ะจะไม่ได้ว่าผลไม้อะไรแต่เห็นว่าเป็นพวงๆอาจจะเป็นลำไย ห, หรืออะไรเงี้ยค่ะตามที่พระอาจารย์เคยเทศเนี่ยอย่างผลไม้มีเมล็ดอะคะอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าญาติโยมทำตามการปฏิบัติที่ถูกต้องนี่จะต้อง เด็ดยังไงคะถ้าเป็นอย่างลำไยเป็นผุเป็นพวงเนะคะอาจารย์คือของที่มีเมล็ดนี้ทางโบราณเขาถือว่ายังเป็นของที่มีชีวิตอยู่พอเวลาไปปลูกนี่มันยังจะงอกเงยขึ้นมาได้เงี้นถ้าพระเอาของที่มีชีวิตไปฉันแล้วไปไปไปกัดเมล็ดเข้าก็เหมือนกับไปไ ป, ไปทำลายชีวิตของผลไม้นั้นงั้นก่อนที่จะถวายของพวกนี้ ก็ท่านบอกว่าให้ญาติโยมช่วยทําลายชีวิตมันก่อนด้วยการปอกเปลือกหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เหมือนกับบอกว่าของพวกนี้มันไม่มันตายแล้วท่านฉันได้แล้วหรือในสมัยนี้บางทีเขาก็เอาเมเล็ดออกเลยพวกเงาะพวกลำใหญ่นี่ญาติโยมบางทีปอกเปลือกให้เอาเมเล็ดออกให้เหลือแต่เนื้อเนื้ออย่างนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการทําลายชีวิตของสิ่งที่มีชีวิต เวลาพระฉันจะได้ไม่ทำปาณาติบาตไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำลายชีวิตในวิธีที่เราทำแบบพอให้ไปเข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์ของการ ถ, าถ้ามีของมาเยอะๆเป็นพวงเป็นฐานก็ทำลูกเดียวแต่ให้มันติดกันเช่นเราปอกเปลือกลาไยไ้สักเปลือกหนึ่งแล้วก็บอกว่าทำลายชีวิตมาแล้วคือพระจะถามก่อนว่ากับปียังกโรหิแปลว่า สมควรแก่การบริโภคหรื อ, อยังญาตโยมก็จะปอกเปลือกแกะเปลือกออกหรือเด็นมันออกแล้วก็บอกว่ากับปิยะพันเตหมายความว่าสมควรแก่การบริโภคแล้วครับโดยเจ้าค่ะความหมายอยู่ตรงนั้นทางธ ร, รมเนียมของพระป่านี่ท่านจะให้ทําต่อหน้าไม่ให้ทํามาก่อนบางคนญาตโยมบดิฉันเด็ดมาให้แล้ ว, แ ล, วแล้วมาประเคนเลยก็ยังไม่ได้ อาพป่าต้องทำต่อหน้าให้เห็นชัดๆว่าทำแล้วเพื่อจะได้เป็นการเสาผู้อื่นที่ไม่รู้เรื่องจะได้เห็นนะ ว, ว่าทำไมเขาต้องทำแบบนี้กันอย่าไปคิดว่าที่ญาติโยมต้องแกะผละไม้ต้องปอกเปลือกเอาเม็ดออกนี้เพราะอยากจะให้พระชันง่ายๆสบายๆ อ, อร่อยๆอันนั้นไม่ใช่ความหมายความหมายจริงๆก็คือต้องการเอาเอาเอาเมล็ดมันออกมาเพื่อที่จะได้ พระจะได้ไม่ไปขบเคี้ยวมันทําลายชีวิตของผลไม้นั้นท่านเรียกว่าการทํากับปิยะ<ม>ทําให้สมควรแก่การบริโภค<ม>พระจ ะ, จะกล่าวคํากัปปิยังกโรหิก่อนญาติโยงก็จับของนั้นให้มันติดกันแล้วก็หักหรือเด็ดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็กล่าวว่ากัปปิยะพันเตแล้วก็ค่อยประเคน แต่ที่นี่คนก็ไม่รู้เรื่องกันบางทีก็พูดกันก็ไม่รู้เรื่องเสียเวลาคุยกันเดี๋ยวเหนื่อยก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยไปอล้วลพระที่รับอะคาจะฉันได้ไหมคะอาจารย์ <c oughs> ก็พูดตามหลักทำไปนานมันก็ตัอ้งอาบัตแล้วเพราะว่ายัางฉันของที่ยังไม่ได้รับทำการกัปปิยะอยู่เองแต่ว่ามันเป็นทำกันมาจนกระทงกายเป็นเรื่องปกติไป ไม่มีเจตนาทำเพราะว่ามันเลยตามเลยเว่ามาค่ะ ข, ขอถามคำถามแทนคุณแม่นะคะพอดีในพรรษานี้เป็นพรรษาแรกที่คุณแม่เขาตั้งใจถือสิงแปดะคะ่ะแต่ว่าเขาเริ่มจากการถือสามวันก็คือก่อนวันพระวันพระหลังวันพระแต่ว่า แม่เขาอายุมาแล้วค่ะอายุ65แล้วเขาก็มีความที่ลืมอยู่แล้วด้วย น, นิสัยทีนี้ก็เลยสีขาดบ่อยมาก hmm. ประเด็นคือว่าคุณแม่เนี่ยเขาไม่สบายใจในเรื่องของการต่อสี น, นะคะท่านคื อ, อคุณแม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะต่อสีที่นึงเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปในห้องพระกางหนังสือแล้วก็สวดเป็นภาษาบาลี hmm. เพื่อที่แบบ เขาพูดว่าทําแบบเนี้ยเขาสบายใจอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบบางครั้งเออคุณแม่อยู่นอกบ้านรู้ตัวสินขาดแล้วตั้งแต่ต้นวันแต่ว่าก็ต้องรอจนเย็นเพื่อกลับมาต่อสินที่ห้องพะัะอะไรเงี้ยตัวหนูเองเคยแบบเออออกความเห็นว่ามันน่าจะพูดได้ในใจนะอะไรเงีเ้ยซึ่งไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าคุณแม่เขาก็เลยอยากให้มาเรียนถามอาจารย์ว่าคือสินนี่มันไม่เป็นเชื่อกเข้าใจไหม เวลาขาดแล้วต้องมาผูกมันใหม่ศีลเวลามันไม่ไม่รักษาก็ถือว่ามันไม่ได้ประโยชน์จากการรักษาศีลได้รับโทษแทนเช่นไปฆ่าสัตว์ก็จะได้รับบาปแทนที่จะแทนที่จะได้บุญคือไม่ได้รับถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะไม่ไม่ได้ทาบาปการไม่ทำบาปก็เป็นบุญอย่างหนึ่งดังนั้นทาไปแล้วจะไป เอามาต่อมาผูกใหม่มันไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่จําเป็นทําไปก็ไม่มีความแตกต่างกันขอ้อข้อทิ้งสิ่งที่เราต้องทําก็คือให้มีความสังวรว่าตอนนี้เราทําผิดข้อนี้แล้วเราอย่าทําผิดซ้ําอีกเข<อ>้าใจไหยเกินสติตนเองว่าเฮ้ย hey, เมื่อกี้นี่ผิดศีลแล้วเว้ยแต่ต่อไปนี้อย่าทาอีกนะ แล้วคืออย่างสมมุติคนนี่ก็เท่ากับต่อศินแหละเข้าใจไหมอ๋อเคไม่จําเป็นต้องว่าบทความว่าว่าทําไมล่ะรู้ตัวเองก็พอรู้ว่าเราทําผิดแล้วเราอย่าไปทําก็จบค่ะอย่างแต่แบบว่าขาดสินของคุณแม่เขาคือแค่แบบเผลอห่ามเพลงเผลอหยิบผลไม้ขึ้นมากินก็ต้องเตือนตัวเองว่าให้ทำผิดสินไปแล้วนะอย่าทําอีกนะแค่นั้นเอตั้งใจรักษาต่อไป หรือถ้าให้ดีให้มันเข็ดก็ต้องลงโทษตัวเองว่างเคยชอบกินอะไรก็อย่าไปกินสักวันหนึ่งดับนิสัยมันจะได้ไม่กระจายไหมถ้าไม่งั้นมันจะไม่เข็ดหรอกใช่ไหมคอเราทําผิดนี่ต้องถูกลงโทษก่อนถึงจะจดจําได้พอจำแล้วก็จะได้ไม่ทําอีกแต่ถ้าทําผิดแล้วไม่มีโทษเดี๋ยวก็ทําใหม่ แล้วขอเรียนถามพระอาจารย์เพิ่มเติมอีกอย่างคือถ้าเกิดว่าเราจะรับศีนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเออ่เราท่องตามคาถาในบทสวดอะได้ไม่ชัดเจนไม่ต้อ ง, องท่องไม่ต้องรับศีนจากใครเขาให้เรารู้ว่าศีนมีอะไรบ้างเท่านั้นแหละแล้วก็รักษามันไปที่ไปขอศีลไปรับศีนความจริงนี้ไปศึกษาไปถามพระว่าศีลห้ามีอะไรบ้างศีนแปดมีอะไรบ้างเท่านั้นเอง ถ้าเรารู้แล้วก็ไม่ต้องไปขอไปไปอะไรเพียงแต่ตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจว่าต่อไปนี้จะรักษาศีลข้อนี้ข้อนี้ก็ว่าไปเท่านั้นเองผลได้เท่ากันผลอยู่ที่ที่รักษาได้หรือไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่การขอหรือไม่ขอขอแล้วไม่รักษามันก็ไม่ได้อยู่ดีไม่ไม่ขอแต่รักษามันก็ได้ดงั้นอยู่ที่การรักษาหรือไม่รักษารู้หรือไม่รู้ ที่ไปหาพระก็เพื่อจะได้ถามที่ไปหาพระแสดงว่าไม่รู้ถึงเดินไปหาพระพระรู้ศีลนะไม่ได้ไปขอศีลจากพระพระให้ศีลของพระไม่ได้ถ้าให้โยมแล้วพระจะมีศีลเหลืออยู่เลยเข้าใจเอ่ะจ บ, บว่ามาเขาพระราอาจารย์เมตตาอสอนลูกเจริญมรรนานุสตินะคะ ก็ต้องไปฟังเทศที่เทศ เ, เมื่อสองอาทิตย์ก่อนนเนี่ยมีทาการหนึ่งวันที่สองสิงหาสอนเรื่องจเจริญมรนานัสติทั้งการเลยคือง่ายๆก็คือให้เราสมมติว่านี้เป็นวันตายของเราให้คิดอย่างนี้ตลอดเวลาเวลาเราคิดว่าวันนี้เป็นวันตายเราจะทำอะไรเรายังจะไปเที่ยวหาเงินหาทองอยู่หรือเปล่าเมื่อเราจะรีบเตรียมตัวเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรม ถ้าเราเลิกถึงความตายอยู่เสมอก็จะทำให้เราเปลี่ยนทิศทางการดําเนินชีวิตของเราจากการหาความสุขทางโลกทางร่างกายก็จะมาหาความสุขทางจิตใจหาความสุขจากการทำทานรักษาศีลภาวนาอ่าก็เนี่ยคือการจเจริญมรณะนสติให้เราเลิกเสมอให้สมมติเสมอว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราแล้วงั้นเราอย่าประมาท เรารีบทาในสิ่งที่เราเอาติดไปกับเราได้ดีกว่าทําในสิ่งที่เราต้องทิ้งไปหมดไปแบบขอทานหรือไปแบบเศรษฐีดีถ้าไปแบบเศรษฐีก็ทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนาไปไปถึงพระนิพพานเลยแต่ถ้าหาเงินหาทองหาลาภหายุหาความสวยความงามอยู่ตายไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยไม่มีอะไรติดตัวไปเลยสมมติว่าวันนี้ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็ง เหลืออีกสามเดือนอให้คิดอย่างนี้เรียกว่าการจเจริญมานัสนสติให้คิดทั้งวันคิดอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราแล้วเราจะไม่ประมาทเราจะได้รีบทำความดีไปฟังวันที่สองดูน ะ, อะสองสิงหาคมใน YouTube ก็มี ขึ้นมาหน่อยนะขึ้นมาขอปร้านโทค่ะคยาเป็นฐานว่าระหว่างนั่งสมาธิอยู่นี่แล้วเคยต่อใช้วิธีนับเลขนะคะแล้วอยู่เลขมันก็หายไปแล้วทุกอย่างรอบตัวก็ดูเหมือนมืดลงสนิทเลยแล้วก็สักพักก็เหมือนกับเรามีแรงดูดเหวี่ยงให้กำลังจะตกเหวอะค่ะก็ตกใจก็เลย ลืมตาออกจากสมาธิค่ะควรจะรู้เฉยๆปล่อยให้มันเหวี่ยงเราลงไปเจ็ดมันก็มันจะเข้าสู่ความสงบมันจะเป็นเหมือนตกหลุมตกบ่อตกเหวเราไม่ควรที่จะไปตกใจควรประคับประคองสติไว้ให้รู้เฉยๆแล้วนับต่อไปก็ได้ถ้ากลัวหรืออะไรก็ให้ทําภาวนาต่อไป อ, อ, อย่าไปลืมตาอย่าไปถอนนี่ออกมากําลังจะเข้าเขาได้เข้าเข็มพอดี ใจก็เลยผลับอีกไม่จะลงอีกก็เลยลืมตายอีกรอบนึ่งค่ะเพรกลัวมามันลงไปแล้วมันก็จะสงบเนิ่งเย็นสบายมีความสงบไม่มีอะไรไม่มีโทษแต่อย่างใดจิตเวลาสงบนี่บางทีมันจะมีอะไรแปลกๆก่อนบางทีอาจจะเป็นเหมือนอาการเหมือนถูกปีออมก็มีแล้วมันก็ค่อยสงบ แล้เวลาเกิดอะไรให้มีสติสักร่ว่ารู้ไปไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจเหมือนกับดูละครจิตกำลังเน่นละครให้เราดูก่อนที่มันจะหมดฤทธิ์เหมือนกับมันจะมันจะเข้าสู่ความสงบบางทีมันจะแผงฤทธิ์นิดหน่อยอปล่อยไมนแผงฤทธิ์ไปไม่มีอะไรพ า, า่ารย์คะคือหนูก็มีอาการคล้ายๆกับคุณพี่คนเมื่อกี้คือ เวลาตอนที่นั่งสมาธิอะค่ะหนูมั่นใจว่าหนูไม่ได้ง่วงแล้วก็แต่ว่าร่างกายหนูมันจะพังเหมือนคนสับปะงกไปข้างหลังอะค่ะ<า>แต่ว่าใจหนูรู้ว่าหนูไม่ได้ง่วงและไม่ได้หลับแต่ว่าทําไมมันถึงมีอการโยกคนเหมือนจะสับปะงกแบบนี้หนูรู้แต่หนูไม่ได้รู้แบบมีสติอย่างสมบูรณ์เนี่ยรู้แบบคนครึ่งตื่นครึ่งหลับ ถ, ถ้ารู้จริงๆต้องรู้แบบที่หนูคุยกับเราตอนนี้ถ้าไม่ถ้ามันสับประงนกนี่มันก็แสดงว่ามันครึ่งหลับครึ่งตื่นถ้ามันตื่นตลอดเวลาก็ต้องเหมือนที่เราทำมังคุยกันตอนนี้ร่างกายจะนิ่งเฉยๆไม่มีการขยับขยื่อนยังก็ถ้ารู้สึกเป็นอาการนี้ก็ลองลุกขึ้นมาเดินก่อนให้มันหายง่วงก่อน มันไม่ง่วงแต่เวลาจิตมันจะสงบมันมักจะเข้าผวังหลับแทนที่จะเข้าผวังสมาธิเพราะว่าสติของเรายังไม่มีกำลังมากพอที่จะดึงมันไว้งั้นเราต้องออกมาเจริญสติใหม่ออกมาเดินจงกรมใหม่ก่อนให้มีสติมีกำลังแล้วค่อยกลับลงไปนั่งใหม่แล้วต่อไปมันจะไม่ขยับร่างกายจะไม่โยกไปโยกมาถ้าเป็นสมาธิจริงร่างกายต้องนิ่งตลอดเวลา เรียถามท่านอาจารย์ค่ะอย่างนี้แปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเรานั่งแล้วเราง่วงหรือว่าเรารู้สึกว่ามันลงพวังแล้วมืดมืดไปเนี่ยให้เลิกนั่งเลยแล้วลุกขึ้นมาเดินใช่ไหมเจ้าค่ะถ้ามันหลับก็ควรจะลุกขึ้นมาเดินจะดีกว่ามันไม่หลับแต่มันรู้สึกมันลอยๆยมืดมืดอย่างไงก็ไม่ทราบแต่มันไม่สว่างมันไม่สงบไม่ส่งเย็นไม่สดชื่นเบิกบานก็แสดงว่ามันคงจะเข้าพวังหลับก็เดินเลยอลุกขึ้นมาเดินจงกรมดีกว่า ถ้ามันเดินก็ออกไปหาที่น่ากลัวเดินมันจะได้ตื่นสติสตังค์มันจะได้ดีถ้าเดินที่ไม่น่ากลัวเดี๋ยวมันก็เดินแบบงงเงี้ยงงเงี้ยเดินได้ไม่กี่ก้าวเดี๋ยวก็จะหาหมอนนะแต่ถ้าไปเจอไปที่มันน่ากลัวหนหยมันจะตื่นตื่นเต้นมันจะตื่นตาตื่นใจขึ้นมาแล้วมันจะหายง่วงได้แล้วพอเดินหายง่วงแล้วค่อยกลับมานั่งใหม่ต่อ เดินก็ต้องมีสติประครับประคองจิตนะให้มีสติอย่างต่อเนื่องแล้วเวลากลับมานั่งมันก็จะได้เข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายแบบแล้ ว, ลวบบงบางวันเนี่ยมันนั่งแทบไม่ได้เลยเจ้าหัดได้ได้แต่เดินอย่างเดียวก็เดินไปก่อนก็ไ้เดินแล้ว ม, มันเมื่อยเลยเดินนักสองสามชั่วโมงเลยถ้ามันไม่อยากจะนั่งก็เอาแบบให้มันสุดๆไปเลยบางคนก็เดินห้าหกชั่วโมงก็มีมถ้านั่งไม่ได้ก็ให้มึงเดินะ เขาก็มันจะนั่งต่อไปมันจะข อ, อนั่งเองเอหมดปัญหาแล้วใช่ไหมปิดใหม่าแล้วเนาคิดว่าพฤิกิจกรรมในวันแม่นี้ก็สำเร็จรุ่งเรื่องไปด้วยดีขอให้พวกเร า, เ อ, าอุทิศผลประโยชน์ที่เราได้ในวันนี้ให้แก่บิบดามารดาผู้มีพระคุณ ทั้งที่ผู้ที่รับร่วงรับไปแล้วและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้มีชีวิตอยู่ก็ขอถือเป็นการปฏิบัติบูชาผู้ที่ล่วงรับไปแล้วก็ขอให้เป็นการอุทิศบุญที่เราได้ทําในวันนี้ไปให้กับท่านแล้วเราก็จะได้เป็นคนดีเป็นคนที่มีความกตยยัญญูกะตะเวทีมีความเจริญนุ่งเรลืองก้าวหน้าตามลําดับต่อไปขอให้ท่านได้อเอานะ สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปเจริญไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ